ตลอดพราท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการยานต่างๆ จึงได้นนตั้งใจวาวัดเพื่อมาสร้างมาเ ส, สริมศรัทธาความเชื่อในพระพุธพระรมพระสม์ที่เป็นสระาที่สูงสุดด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสมดียิ่งขึ้นไปตามลำดับ เมื่อเรารู้เราก็จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีที่จะประเสริฐเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พราไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปได้อย่างถาวร ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้รู้จักทางสู่การออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอที่รู้จักรักษา โรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคตับอักเสบโรคเอชไอวีโรคเองหมอที่วิเศษนี้จะรู้จักรักษาโรคภัยได้ทุกโรค แต่ในโลกนี้ไม่มีหมออย่างนั้นหมอที่จะรู้จักวิธีรักษาโรคัยไข้เจ็บทุกชนิดของร่างกายนี้ยังไม่มีมีรู้แต่รักษาบางโรคแต่บางโรคก็ไม่รู้จักวิธีรักษาฉันใดโรคของใจคือโรคของความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ ก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จักวิธีรักษาโรคของใจนี้ให้หายไปได้อย่างสิ้นเชิงได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาโรคของความทุกข์ใจต้าตาให้หมดไปได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้า ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปหมดแล้วไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจไม่มีการ ที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พวกเราตอนนี้ยังมีความทุกข์ใจอยู่อย่างที่ยังที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตา ย, ยถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องเชื่อคนที่เขา ปฏิบัติได้แล้วหลุดพ้นแล้วเหมือนกับเราเชื่อหมอที่รู้จักวิธีรักษาโรคต่างๆเวลาเราไปหาหมอนี้เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าหมอจะช่วยรักษาโรคที่เรามีอยู่ให้หายไปได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ไปหาหมอคนนั้น ถ้าเราคิดว่าหมอคนนั้นไม่สามารถรักษาโรคที่เราเป็นอยู่ให้หายได้เราจะเสียเวลาไปหาหมอคนนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ไปฉันใดเราก็ไม่ควรที่จะไปหาผู้ที่ไม่รู้จักวิธีสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของใจต่างๆ หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรู้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระองค์แรกที่ได้ทรงตัดสรัรู้ได้รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพระองค์เองรู้จักวิธี ยุติการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้น mm hmm. พระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้วิธีของการดับทุกนี้ mm hmm. คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าต่อมา หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าคำสอนคือพรทธรรมวีันที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี้ได้สั่งสอนไว้อย่างถูกต้องแล้วนี้จะเป็นศาสดาเป็นอาจารย์ของพวกเราต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดา จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าสลีระร่างกายของพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วได้กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปแล้วแต่องค์ของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมนี้ยังอยู่ในรูปของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรา สามารถเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วได้พบพระพุทธเจ้าแล้วนังที่ทรงจัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็น ทำนั่นเองคำว่าตถาคตนี้ก็คือชื่อของพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงพระองค์พระองค์จะกล่าวว่าตถาคตตถาคตนี้คือคำํำคำที่พระพุทธเจ้าใช้แทนชื่อของพระองค์ดังอย่างที่ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคตคือผู้ที่เห็นธรรมธรรมก็คือทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองผู้ใดที่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็จะได้รับผลก็คือจะเห็นทางที่จะพาให้ไปสู่การ สิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปผู้ที่เห็นทางเหล่านี้เราเรียกท่านว่าเป็นพระอริยสงสาวกคือเป็นผู้ที่ในเบื้องต้นมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว ก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางที่พาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับคนที่หลงทางอยู่ในป่าใหญ่อยากจะหาทางออกจากป่าถ้าไม่มีคนบอกทางก็จะไม่สามารถหาทางออกได้ถ้ามีคนบอกทาง พอาชี้บอกว่าไปทางนั้นทางนั้นพอเราเดินไปทางนั้นไม่ช้าเราก็จะพบทางออกเราก็สามารถเดินออกจากป่าใหญ่ที่เราหลงติดอยู่ได้การเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็เป็นเหมือนป่าใหญ่ที่พวกเราหลงติดกันอยู่เราไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้เรา ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเป็นอย่างไรเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดไม่สามารถมองเห็นทางที่จะพาให้เราเล่นนอดออกมาได้แต่ถ้าเราได้พบกับคนตาดีคนที่รู้ทางคนที่เห็นทางเขาก็จะพาเราหรือบอกทางให้กับเราได้ พระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนที่รู้จักทางที่จะพาให้เราได้ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันที่จะเล็ดลอดออกจาก การเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเรามาพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรายัางไม่มีศรัทธายังไม่มีความเชื่อที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเราก็ต้องนําเอาคําสอนนั้นมาปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะเห็นทางที่จะพาให้เราได้หลุดพ้น จากการเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะมีถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ควรควรจะมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ควรที่จะไปเชื่อสิ่งอื่นๆเพราะสิ่งอื่นๆหรือบุคคลอื่นๆคาสอนอื่นๆ น, นี้จะไม่สามารถ พาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คําสอนของศาสนาอื่นจะสอนให้เราไปได้เพียงระดับสวรรค์เท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถสอนให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่สามารถสอนให้เราหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะไม่มีใครรู้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่สามารถรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามารู้ความจริงั น, นี้จะไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะรู้ทางสู่การหลุดพ้นได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนอย่างในสมัยพระพุทธการ ตอนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุนี้ไม่มีใครรู้จากทางที่พาให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนล่ายตายเกิดเลยทุกคนยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่พอพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุแล้วได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็ปรากฏมีผู้ที่สามารถ ปฏิบัติและทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกเ<ม>ช่นในวันมาค่าบูชาที่ผ่านมานี้วันเพ็นเดือนสามปรากฏในสมัยพระพุทธการปรากฏมีพระอาหารหันต์หนรรูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนนี่คือการแสดงให้เห็นว่าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมากันเป็นจำนวนมากแลนะผู้ที่มาเป็นพระอาหารหันตสาวกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ปุตุชนธรรมดาคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละ พวกเรานี่แหละที่จะมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าที่จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้อยู่ที่ว่าเรามีศรัทธามีความเชื่อหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะปฏิบัติตตามที่พุทธเจ้าได้ท่งปฏิบัติ พอเราปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงควรมีความมั่นใจได้ว่าพวกเราทุกคนนี้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนสถานภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวเหตุที่จะทำให้เราบรรลุหรือไม่บรรลุแต่เหตุที่จะทำให้เราบรรลุหรือไม่บรรลุ ก, ก็คือศรัทธาความเชื่อเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เมื่อเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตาม รับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุเป็นพระสาวกกันก็เพราะว่าท่านเชื่อแล้วท่านก็ปฏิบัติเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกในที่สุด ดังนั้นพวกเราอย่าให้กิเลสมาหลอกเราว่าพวกเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุได้บางทีกิเลสก็จะหลอกว่าเราเป็นคารวะญาติโยมเราไม่มีความสามารถเหมือนกับพระหรือเราเป็นผู้หญิงเราไม่มีความสามารถเหมือนผู้ชายหรือเราเป็นเด็ก เราไม่มีความสามารถเหมือนผู้ใหญ่แต่ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้ที่เป็นพระอรหันตุกเพศทุกวัยนักบวชก็มีคารวาดก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีสั ม, มเณรบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มีดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า สถานภาพต่างๆนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นได้หรือไม่เป็นได้สิ่งที่จะกำหนดให้เราเป็นได้หรือไม่เป็นได้ก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนนี้เอง ถ้าเรามีสุปฏิปันโนมีอุชุปฏิปันโนมียายะปฏิปันโนมีสามีจิตปฏิปันโนการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆย่อมเป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนด mm hmm. ังนั้นขอให้พวกเราจงพุ่งไปที่การสร้างศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่หยุดยัง้งถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้นรอบรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องได้บรรลุมรรคผลนผิพพานอย่างแน่นอนตามที่พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของตถาคตได้นี้ จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าภายในเจ็ดเดือนยังไม่ได้ก็ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากนี่เป็นคํารับรองของพระพุทธเจ้าและมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมภายในเวลานี้ได้มายืนยันมารับประกันคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า ต้องได้ผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคาราวาเป็นนักบวชเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กไม่สำคัญสามารถบรรลุได้ด้วยกันทุกคนถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นขอให้พวกเราจงพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ ก็อยู่ที่การที่เรารู้ว่าวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรการจะรู้ได้ก็ต้องอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนฟังเทศฟังธรรมไปอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้จากวิธีที่เราควรปฏิบัติ เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่พระเจ้าทรงสอนก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งท่านเรียกว่าทานขั้นที่สองท่านเรียกว่าศีลขั้นที่สามท่านเรียกว่าภาวนานี่คือวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ขั้นที่หนึ่งก็คือให้ทำทานทานก็คือให้เราแบ่งปันสินของทรัพย์สมบัติที่เรามีมากเกินความจำเป็นอย่าเก็บเอาไว้ไม่เป็นประโยชน์อะไรให้สละไปสละได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะทำให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษา ไม่ต้องวุ่นวายกับการหามาเพิ่มเติม